จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันอังคารที่13พุทธภาคมพุทธศักราช5 5งเเป็นวันวิสาข บ, บูชาวันที่พุทธศาสนิกชน ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเท่าเป็นวันคล้ายวันประสูติวันตรัโรุและวันปรินิพานของพระบรมศาสดาพระอานพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอย่างสูงแก่สัตว์โลก เพราะมีพระองค์เพียงพระองค์เดียวที่สามารถนำพาสัตว์โลกให้ออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาปรากฏให้สัตว์โลกได้เป็นที่พึ่งสัตว์โลกก็ยังจะต้องวนเวียนอยู่ในกองทุก์แห่งการ เวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นถ้าเปรียบเทียบก็วัตฏะแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ก็เป็นเหมือนกับเรือนจำเหมือนกับคุกตราที่พวกเราถูกจองจำอยู่นานานจะมีผู้วิเศษที่สามารถมาเปิดประตูของเรือนจำ เพื่อปล่อยให้พวกเราออกไปเป็นอิสราภาพได้ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็เป็นอย่างนั้นท่านเป็นผู้ค้นพบกุญแจที่จะเปิดประตูของเรือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทำให้พวกเราที่ถูกจองจำอยู่ในกองทุกข์ในเรือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีโอกาส หลุดพ้นคือไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายซ้าแล้วซ้าอีกอย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเรามาเกิดแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องแกเดี๋ยวเราก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องตายจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆที่เรารักตราบใดที่มีการกลับมาเกิด ปรามนั้นก็ยังจะต้องมีการแก่การเจ็บการตายการพัดพาจากบุคคลและสิ่งที่เรารับปรามนั้นก็ยังจะต้องมีความเศร้าโศกเสียใจมีความทุกข์ทรมานใจแต่ตอนนี้พวกเราโชคดีได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่เป็นสถาบันที่จะสอน ให้พวกเราได้ออกจากเดือนจำแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เราจึงกำนึกถึงพระคุณอันสูงส่งของพระพุทธเจ้าที่ทรงมีแก่สัตว์โลกทุกครั้งที่มีวันวิสาขบูชาเราจึงน้อมจิตน้อมใจกันเข้ามาเพื่อบูชาพระคุณ ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้านี้ก็มีสองลักษณะด้วยกันคือหนึ่งอามิสบูชาคือการแสดงความเคารพด้วยการกราบว่าด้วยเครื่องสักการะเช่นดอกไมก้ทูกเทียนและมีและการบูชาชนิดที่สองก็คือปฏิบัติบูบชา การปฏิบัติบูชาก็คือการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในการบูชาทั้งสองลักษณะนี้พระพุทธเจ้าทรงยกย่องทรงสอนทรงย้ำให้ถือการปฏิบัติบูชาเป็นหลักเพราะการปฏิบัติบูชานี้เท่านั้นที่จะยังผลประโยชน์ ให้แก่พวกเราได้ถ้าเราบูชาด้วยเครื่องสักการะดอกไม้ธูปเทียนด้วยการกราบไหว้อันนี้ยังจะไม่สามารถยังประโยชน์คือการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้นั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ปรารถนาการบูชาแบบอมิสบูชาแต่ทรงปรารถนา การบูชาแบบปฏิบัติบูบชาการที่เราจะปฏิบัติบูชาได้ในเบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาพระพุทธเจ้าก่อนศึกษาว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นใครท่านวิเศษอย่างไรแล้วท่านสอนให้เราทำอะไรเพื่อที่เราจะได้วิเศษเหมือนกับพระพุทธเจ้า นี่คือสิ่งที่เรามาทำกันในวันนี้เรามาล้ำลึกถึงพระประวัติอันดีงามของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้เอ า, าพระประวัติของพระพุทธเจ้านี้มาเป็นแบบฉบับมาเป็นเยี่ยงอย่างในการดำเนินชีวิตของเราในการปฏิบัติบูบชาต่อไป แล้วเราจะได้รับผลอันยิ่งใหญ่ที่เกิดจากการได้ปฏิบัติบูชาก็คือการได้หลุดพ้นจากคุกตรางของการเวียนว่ายตายเกิดนี่ดังนั้นสิ่งแรกที่เราต้องรู้ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครวันเกิดของท่านเป็นวันนี่ ท่านเกิดมาในวันนี้เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วท่านเกิดในสกุลของกษัตริย์เป็นราชเจ้รสของพ่อเจ้าแผ่นดินหลังจากประสูติออกมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินคือพระราชบิดาก็ได้เรียกโหลนหมอดูท่านหลายที่เก่งๆมาทำนายดูอนาคตของพระราชารสว่า ต่อไปในภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไร้นส่วนใหญ่ก็จะทำนายว่าจะได้มีเป็นได้สองฐานด้วยกันคือเป็นมหาจากักรพรรดิหรือถ้าออกบวชก็จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าจะได้เป็นที่พึ่งของสารโลก ในการนำพาสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่มีโหรมีหมอดูอยู่เพียงท่านเดียวที่ได้ส่งทานายไว้ว่าจะต้องออกบวชจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นหลังจากที่พระราชบิดาได้ยินได้ฟังคำทานายของโหรแล้ว ก็เกิดความวิตกกลัวว่าพระราชโอรสจะออกบวชพระ อ, องค์จึงทรงพยายามปิดกั้นไม่ให้พระราชโอรสได้เห็นความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากการมาเกิดในโลกนี้ทรงสร้างปราสาทสามฤดูให้พระราชโอรส อยู่ไม่ให้ออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่แล้วก็ห้ามไม่ให้คนแก่คนเจ็บคนตายเข้าไปสู่อในพระราชฐานทั้งสามนี้ให้มีแต่คนหนุ่มคนสาวคนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมีอาการครบ32มีความสามารถในการ สร้างมหรศพบันเทิงต่างๆให้แก่พระราชโอรสเหมือนกับการได้ไปอยู่ในโรงแรงห้าดาวแถวพัทยานี้ถ้าไปอยู่ในโรงแรนห้าดาวเราก็จะไม่เห็นความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่นอกโรงแรมเราก็จะคิดว่าโลกนี้เป็นเหมือนสวรรค์แต่พระพุทธเจ้าซึ่งมีความ ฉลาดมีความสนใจศึกษาก็มีความอยากรู้อยากเห็นว่าภายนอกประสาทราชวังนี้มีอะไรอยู่บ้างแล้วก็เลยได้เล็ดลอดออกไปโดยมีมหาเล็กพาไปพอออกไปก็ได้เห็นสิ่งต่างๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนในพระราชวังคือเห็นคนแก่ พอเห็นคนแก่ก็แปลกใจถามว่าเป็นใครตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นคนอย่างนี้เลยมาหาเล็กก็บอกว่าเป็นคนที่มีอายุมากแล้วหลังจากเกิดมาแล้วร่างกายก็จะต้องแก่ชรลาภาพแบบนี้เวลามีอายุ60ส0 8เจ็ิขึ้นไปแม้แต่พระองค์เองก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน พอได้ฟังอย่างนี้ก็เกิดความตกใจว่าต่อไปตรงเองก็จะต้องเป็นคนแก่คนชราแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปอีกระยะหนึ่งก็เห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนอยู่หน้าบ้านร้องโอดควรคราด้วยความเจ็บปวดทรมานก็สงสารว่าคนคนนี้เขาเป็นอย่างไรถึงเขา ทำไมเขาจึงไม่มีความสุดเหมือนเรามหาเล็กก็ตอบไปว่าเขาปีโรคภัยไข้เจ็บซึ่งเป็นเรื่องปกติของร่างกายของทุกคนแม้แต่ร่างกายของพ่อองค์เองก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้เช่นเดียวกันพอได้ยินได้ฟังอย่างนั้นก็ยิ่งเกิดความวิตกกังวลขึ้นมาอีก และพอเดินไปชมอีกสักระยะหนึ่ง mm hmm. ก็เห็นขบวนนำพาคนตายเพื่อไปชาปนกิจ mm hmm. ก็ถามว่าคนที่นอนอยู่ที่เขาแบกหามอยู่นี้เป็นใคร mm hmm. เป็นอะไร mm hmm. ก็ได้รับคำตอบว่าเขาก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละแต่หลังจากที่อยู่เป็นนานๆเข้าแล้วร่างกายก็จะอยู่ไม่ได้ ร่างกายก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดสิ่งที่พระองค์เห็นก็คือคนตายคนตายก็คือคนที่ไม่มีลมหายใจที่ไม่สามารถทำอะไรอย่างคนที่มีลมหายใจได้แม้แต่พระองค์เองสักวันหนึ่งก็จะต้องเป็นอย่างนี้หลังจากนั้นก็ได้เดินไปอีกระยะหนึ่ง ก็ได้เห็นนักบวชก็ถามว่าคนนี้เขาทำอะไรเขาถึงแต่งกายไม่เหมือนคนทั่วไปทำไมเขาต้องโกนศีรษะก็ได้รับคำตอบว่าเขาเป็นนักบวชเขาต้องการแสวงหาทางหลุดพ้นของการเกิดแก่เจ็บตายเมื่อพระ อ, องค์ได้ทรงเห็นก็เลยเกิดมี กำลังใจขึ้นมาว่ายังมีโอกาสมีทางที่จะหนีความแก่ความเจ็บความตายไปได้หลังจากนั้นพระองค์ก็เลยคุณคทิดวางแผนอยู่เรื่อยๆภายในใจเพราะไม่อยากจะแก่ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะตายอยากจะหาทางที่จะพาให้ ไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายก็จะต้องออกบวชเหมือนกับนักบวชทั่วไปจึงได้เตรียมตัวเตรียมใจไว้พอมีโอกาสเกิดขึ้นในคืนที่พระราชมีพระมเหสีได้คลอดพระราชโอรสออกมาพอพระองค์ทราบข่าวก็ทรงอุทานว่าบวงคือทรงพูดว่าราหุ่ พอรู้ว่ามีลูกก็เลยอุทานออกมาว่าลูกเรานี่มันเป็นบ่วงค้องคอเราถ้าเราไม่หนีจากบ่วงนี้เราจะไม่มีวันที่ราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เลยเพราะเราจะไม่สาบานออกบวชได้ดังนั้นจึ ง, รงทรงตัดสินพระทัยในคืนนั้น ไม่ยอมไปมองดูไม่ดูราชโหรดเสด็จออกจากพระราชวังไปอย่างเงียบๆไม่บอกใครเลยโดยมีนายช น, นะติดตามไปเพื่อนำพาหนะคือมากับสู่พระราชวังเท่านั้นนี่คือการดำเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าหลังจากที่อยู่ในโลกได้อายุ2 9่สิพรรษา ก็ทรงเกิดความเบื่อหน่ายกับชีวิตของผู้คลองเรือนที่จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของความแก่ความเจ็บของความตายของการพัดพากจากบุคคลและสิ่งของต่างๆไปได้เลยอยู่ไปก็เท่ากับรอความแก่รอความเจ็บรอความตาย รอความทุกข์ต่างๆเท่านั้นเองพระองค์จึงทรงตัดสินพระทยัยเสด็จออกจากพระราชวันแล้วก็ออกบวชออกบวชแล้วก็ไปศึกษากับนักบวชที่มีความรู้ความสามารถก็สามารถได้ผลในระดับหนึ่งคือสามารถดับความทุกข์ต่างๆภายในใจได้ ในขณะที่เข้าไปในฌานเข้าไปในสมาธิแต่เวลาออกจากฌานออกสมาธิมาก็เห็นความแก่เห็นความเจ็บเห็นความตายก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกหลังจากพยายามศึกษากับหลายๆท่านด้วยกันก็ไม่มีใครสามารถดับความทุกข์ใจเวลาออกมาจากสมาธิ ออกมาจากฌานได้พระองค์เลยต้องพยายามศึกษาค้นคว้าหาวิธีด้วยตนเองและในที่สุดก็ทรงค้นพบความรู้ที่จะดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับความแก่ความเจ็บความตายได้ทรงค้นพบว่า ความทุกข์ใจนี้ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายร่างกายกับใจนี้เป็นคนละส่วนกันแต่ใจไม่มีปัญญาเลยถูกความหลงหลอกให้คิดว่าร่างกายเป็นใจเหมือนกับพวกเราตอนนี้ ถูกความหลงหลอกให้คิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราความจริงเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจเราเป็นผู้คิดผู้รู้ผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเรากับร่างกายนี้เป็นคนต่างคนกนเราเป็นนายกายเป็นบา่าวแต่เราไม่รู้ความจริงอันนี้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงรู้มาก่อน แต่หลังจากที่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาอย่างรอบคอบก็ทรงสามารถแยกใจออกจากร่างกายได้สรงรู้ว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่ได้ทำให้ใจแก่หรือเจ็บหรื อ, ร อ, รอตายไปด้วยใจเป็นสิ่งเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคือไม่มีการเสือ่อมไม่มีการเจริญ มีอยู่อย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นรู้อยู่อย่างไรก็รู้อยู่อย่างนั้นไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไปกับร่างกายและไปกับการเสื่อมของสิ่งต่างๆพอทรงเห็นอย่างนี้พ่อองค์ก็เลยปล่อยวางร่างกายได้ไม่มีความอยากไม่ให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเพราะรู้ว่าห้ามไม่ได้ ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศนี่เองเราพวกเราทุกคนก็รู้ว่าเราห้ามฝนฟ้าอากาศไม่ได้เราห้ามฝนไม่ให้ตกไม่ได้เราจะสั่งให้ฝนตกก็สั่งไม่ได้ฉันใดเราก็ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้พอทรงเห็นอย่างนี้ก็เลยต้องหยุดความอยากไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตาย พะเวลาเกิดความอยากแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานั้นเองจึงสงคค้นพบความจริงว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากของใจเองถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่มีความทุกข์แล้วถ้าไม่มีความอยากแล้วใจก็จะไม่ต้องไปเกิดใหม่อีกไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่เพราะว่าไม่มีความอยากดูอยากฟัง อยากทำอะไรอีกต่อไปเพราะรู้ว่าทำไปก็เท่านั้นทำไปแล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องทำใหม่ทำใหม่แล้วก็หมดไปแล้วก็ต้องรอความแก่ความเจ็บความตายพอตายแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาร่างกายใหม่ทำอย่างนี้ซ้ำซ้ำซากซ า, กซากเพราะยังมีความอยากทำนู่นทำนี่อยู่ยังดูยังอยากดูยังอยากฟัง ยังอยากเป็นยังอยากอะไรอยู่แต่พอตัดความอยากเหล่านี้ไปหมดแล้วใจก็ไม่ต้องไปเกิดและเวลาไม่มีความอยากแทนที่จะมีความทุกข์กลับมีความสุขมากกว่ามีความอยากเพราะใจสงบใจไม่สงบเพราะความอยากพอมีความอยากแล้วใจต้องดิ้นใจจะวุ่นวาย แต่พอไม่มีความอยากแล้วใจไม่ดิ้นใจไม่วุ่นวายนี่คือสิ่งที่พวกเราทั้งหลายไม่รู้กันเราคิดว่าเราต้องมีความอยากเราถึงจะมีความสุขแต่พอเรามีความอยากแล้วเราก็อยู่เฉยเฉยไม่ได้เราก็ต้องดิ้นรนอยากได้อะไรก็ต้องดิ้นไปหาสิ่งนั้นพอได้มาแล้วก็ต้องมาหวงมาห่วงกับของที่เราได้มา แล้วเดี๋ยวเวลาของที่เราได้มาจากเราไปเราก็เสียอกเสียใจร้องหหยร้องห้นี่คือผลที่เกิดจากการทำตามความอยากแต่เวลาที่เราหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากใจของเราจะสงบนิ่งเวลาใจสงบนิ่งนี้เป็นเวลาที่ใจมีความสุขมากที่สุดมีความสุขมากกว่า ความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันพวกเราหลงกันเห็นกับตาลปัดเห็นผิดเป็นชอบเห็นว่าความอยากจะนำความสุขมาให้มีแต่พระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่เห็นว่าความอยากจะนำความทุกข์มาให้พอพระองค์ได้พบความจริงอันนี้แล้ว พร อ, องค์ก็ไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลยมีแต่ความสุขไปตลอดเวลาพอท่านได้พบความจริงอันนี้ท่านก็นําเอามาสั่งสอนให้แก่พวกเราทั้งหลายผู้ใดได้น้อมนําเอาไปปฏิบัติหยุดความอยากได้ผู้นั้นก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจกลายเป็นพระอาหารหันตาสาวกขึ้นมาคือผู้ที่ได้ปฏิบัติ บูชาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองนี่แหละคือเรื่องของพระพุทธเจ้าหลังจากเกิดมาแล้ว29ปีก็ออกบวชบวชได้6ปีก็ได้ตัดสรุเป็นพระพุทธเจ้าได้พบความจริงที่จะทำให้ใจของพระองค์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ แล้วหลังจากนั้นก็ทรงเอาเอามาสั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราอยู่อีก45ปีด้วยกันพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอะไรเลยหลังจากที่ตัดสรูแล้วทำหน้าที่อยู่ห้าหน้าที่ท่านั้นในแต่ละวันเรียกว่าพุทธกิจห้าพุทธกิจห้ามีอะไรบ้างก็คือหนึ่งในตอนบ่าย ก็อบรมสั่งสอนคารวาะญาณโยมให้รู้ความจริงของความสุขและความทุกข์ว่าเกิดจากความมีความอยากหรือไม่มีความอยากพอตอนค่ำก็สอนพระภิกษุสัมมเนนพอตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะออกบินทบาศก็ทรงเลงยานดูว่า จะไปสอนใครในกรณีเป็นกรณีพิเศษในวันนั้นใครเป็นผู้ที่พร้อมที่จะรับคำสอนพร้อมที่จะปฏิบัติตามได้อย่างรวดเร็วพระองค์ก็จะมุ่งไปสู่บุคคล น, นั้นหลังจากที่ได้ออกบินตาบาาแล้วนี่คือกิดของพระพุทธเจ้าที่ทรงธรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกัน ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับคาความรู้ความจริงอันนี้พระพุทธเจ้าจึงไม่เสียเวลากับการสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างวัดสร้างวัตถุมงคลต่างๆแต่ทรงเน้นการสร้างพระขึ้นมาคือสร้างพระอาหารหันต์คือสอนให้คนปฏิบัติ ต, ตามคำสอน ถ้าใครปฏิบัติได้แล้วก็จะได้กลายเป็นพระอาหารหันต์นั่นเองพระพุทธเจ้าจึงสร้างพระอาหารหันต์เป็นหมื่นเป็นแสนในระยะเวลา45ปีที่พระพุทธเจ้าทรงเผยแผ่สั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกสิ่งที่สรงสอนให้ปฏิบัติก็มีสข้อใหญ่ๆคือหนึ่งให้ทาบุญสองให้ละบาป สาให้ชำระใจให้สะอาดชำระใจก็คือชำระความอยากให้หมดไปถ้าทำสามข้อนี้ได้แนละ้วก็จะได้เป็นพระเต็มรูปแบบคือได้เป็นพระอรหันต์นี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญให้ความสนใจเพราะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงให้ความสำคัญนั่นเองเพราะถ้าเราสามารถปฏิบัติตาม ทำทั้งสามข้อนี้ได้เราก็จะกลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมามีพพนี้ชาตินี้เพียงชาติเดียวที่เราจะมีโอกาสทาแบบนี้ได้เพราะเรามีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเราถ้าเรามาเกิดแล้วไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาต่อให้เราปฏิบัติเต็มที่ขนาดไหนก็ตาม เราก็จะปฏิบัติไม่สําเร็จเพราะเราไม่รู้จากวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องนั่นเองเราก็ต้องลองผิดลองถูกไปเป็นหลายล้านชาติด้วยกันจนกว่าจะพบทางด้วยตนเองอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงพกหรือจนกว่าเราจะได้มาเจอพระพุทธเจา้าเจอพระพุทธศาสนาอย่างที่เราได้มาเจอกันในชาตินี้ถ้าเราเชื่อคําสอน แล้เราน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราก็จะได้หลุดพ้นภายในวกนี้ภายในชาตินี้เลยซึ่งเป็นกรณีพิเศษเป็นกรณียกเวน้นถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาต่อให้เราบำเพ็ญบุญละบาปอย่างไรเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะชำระตัญหาความอยากให้หมดไปจากใจเพราะเราไม่รู้ว่า ความอยากนี้เป็นตัวอันตรายนั่นเองพวกเราจึงมักจะส่งเสริมความอยากกันอยากได้นั่นอยากได้นี่กันอยู่เรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นนี่แหละคือความสำคัญของวันวิสาขบูชาเพราะทำให้เราได้เห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้าได้เห็นคาความสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้า และเห็นความสาคัญในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้รับผลที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดที่ไม่มีอะไรในโลกนี้จะสามารถมอบให้กับเราได้ดังนั้นขอให้พวกเราจงน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยการปฏิบัติบูชาเถิดแล้วเราจะได้เป็นคนที่มีความกตัญญูแลนะเป็นคนที่จะได้รับผลของการเป็นผู้มีกตัญญูนี้คือจะเอาจะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปการแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติ